ถามเจาะลงไปอีกนิดเรื่องดีหายไปแล้วอะไรเป็นตัวจัดสรรความทรงจาดีๆ ด, ดึงความสดชื่นให้หวนคืนมาใหม่เรื่องร้ายหายไปแล้วอะไรเป็นตัวการเลือกความทรงจำร้ายๆให้ปูดขึ้นมาตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองกุญแจคือกรรมทางใจหรืออิงนัยยะหนึ่งวิธีคิดให้จิตผูกติด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 และความรู้สึกไม่พอใจนั่นเองกระตุ้นการทำงานของสมองให้โยงไปหาเรื่องร้ายเหมือนชีวิตนี้มีแต่ความทรงจำที่มัวหมองถามว่ากำทังใจมาจากไหนคำตอบคือมาจากความเคยชินในการโต้อตอบกับเรื่องดีและเรื่องร้ายถ้าเห็นหมาแมวน่าสงสารแล้วอยากช่วย อีกทั้งลงมือช่วยไม่ดูดไม่ปล่อยผ่านแล้วเกิดความอิ่มใจยิ่งช่วยบ่อยยิ่งอิ่มใจมากความอิ่มใจที่มั่นคงนั่นเองคือกุศลธรรมที่ติดตัวบรนดานใจให้มีวิธีคิดดีๆหาทางออกให้ทั้งตนและคนอื่นได้เรื่อยๆถ้าหวังมากแล้วผิดหวังมากรักมากแล้วมีอันต้องเจ็บปวดมาก และอยากทำให้คนอื่นเจ็บปวดตามอาภัยไม่เป็นเย็นไม่ลงอยากด่าหรืออยากกลั่นแกล้งต่างๆนาน า, นาความอยากกาอเรื่องร้อนอยู่เรื่อยๆนั่นเองคืออกุศลธรรมที่ติดตัวบรรดาใจให้มีวิธีคิดร้ายๆเห็นแต่ทางตันทั้งสำหรับตนและคนอื่นเหมือนต้องตายกันไปข้างถึงจะเป็นสุขเป็นสุขสรุปคือ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 ชีวิตคุณจะเป็นฐานที่ตั้งของความรู้สึกร้ายความรู้สึกร้ายจะเฟ้นเอาแต่ความจำร้ายๆไว้